ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณะผลิลักษ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2549ณเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล ตอนที่สี่ขอเชิญท่านติดตามแลวฟังได้นะบัดนี้ อาจจริญธทำทุกทุกคนเรามาฟังธรรมะธรรมะหมายความว่าความดีงามความถูกต้องหมายถึงทุกสิง่งทุกอย่างแหละแต่ในในัยสำคัญของคำว่าธรรมะนั้นก็โน้มเน้นไปในทางดีงามถูกต้องหรือไม่ผิดไม่ชั่ว ไม่เสื่อมมีแต่เจริญนั่นเองธรรมะหมายความว่าไปในทางเจริญนะในธรรมะเองก็มีอธรรมหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะอยู่ด้วยคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะนะอัตมาเทศไปวันก่อนแล้วว่ า, าศาสนาพุทธนั้นสามารถเข้าใจพลังงาน ที่มีอยู่ในโลกหรือในจักรวาล น, นี้ที่แบ่งออกเป็นอุตนะอตุนะอุตตุนิยามเป็นพีชนะนิยามเป็นจิตตะ น, นิยามกรรมนิยามธรรมนิยามนะห้าออกแบ่งออกเป็นห้าพลังงานที่เป็นอุตตุนั้นนะ่ะเป็นพลังงานที่ไม่มียังไม่มีชีวะ เป็นพลังงานความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคมเป็นพลังงานทางด้านฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ก็เรียนรู้มาทั้งหมดยังไม่มีชีวะเป็นความรู้เป็นพลังงานที่ยังยังมียังไม่มีความรู้ยังไม่เป็นความรู้เป็นพลังงานที่อาจจะแรงมากมายพลังงานนี้อาจจะยิ่งใหญ่อยู่ในเนบุลาอยู่ใน กาเล็กซี่อยู่ในดวงอาทิตย์ทั้งดวงพลังงานอะไรที่อยู่ในพวกนั้นจะมากมหา ศ, าศาลในเชิงนั้นเชิงนี้ของทางฟิสิกส์ก็ตามพลังงานเหล่านั้นไม่เป็นชีวะพลังงานที่พัฒนาตัวขึ้นมาเป็นชีวะมีความเป็นอัตโนมัติในตัวอย่างต่ําก็คือพีชะหรือพืชนี่แหล ะ, ะธรรมะ คือการศึกษาธรรมะให้เป็นคนมีคุณธรรมละกิเลสลดกิเลสได้จริงนะบัดนี้ถ้าลดกิเลสไม่จริงเป็นแต่เพียงกดข่มไว้เป็นแต่เพียงเสแสร้งทำขึ้นหน้าแม้สร้างภาพมีมารยาทมีความดีงามในทางเปลือกเปลือกนอกๆทําได้คนฉลาดเขาพยายามสร้างภาพพยายามที่จะทําต่อหน้าคือต้องเป็นคนดยคนสุจริต มจีเป็นคนไม่โองเป็นคนสุภาพเป็นคนเป็นการทุกอย่างมีมารยาทดีงามรู้จักมารยาทสังคมไหวแต่ในใจลึกๆถ้ากิเลสมันยังไม่ล้างไปหมดกิเลสยังไม่ได้ถูกกำจัดไปจริงคือนอบน้อมกสักวันนึงใจไม่ได้ต้องมีสภาพนอบน้อมอยู่ในทนไม่ได้หรอกไม่ใช่ใจซันกวันก็มีอำนาจแหการกดทับได้ประมาณหนึ่งนอบน้อมแต่มันไม่ท้าว เพราะกิเลสเป็นตัวเหตุเป็นสมุทัยมือก็ไหว้ปากก็กราบสมุทัยอาริยสัใจเราก็มันสามารถที่จะทํางานได้เมื่อใดเมื่อนั้นสเมื่อใดนั่นคือรายการไหว้พระเพราะฉะนั้นหลักประการที่แท้เป็นจริงต้องล้างกิเลสให้ถูกเป็นหนึงเดียวกันอยู่ให้มันตายให้มันลดแยงกันลดแรงแล้วก็ลดจนกระทั่งหมดตายดับสนิทไม่เกิดอีกสัก นัจึงจะเป็นหลักประกันที่สูงสุดในศาสนาพุทธพระมุทธเจ้าท่านตรัสรู้วิธีการมีหลักทฤษฎีต่างๆให้เรียนรู้มีวิปปัชนายาหรือมีวิชาสามารถที่จะรู้ตัวตนของกิเลสในเรื่องวัตตาของกิเลสโมหรือเรียกว่าสกายะพะครูวัตตาสักกายะหรือเรียกว่ากิเลสตัวที่สุดท้ายตัวปลายก็เรียกว่าอาสวะนีเป็นต้นรู้แจ้งเห็นจริงศาสนาพุทธรู้แจ้งเห็นจริงมีหลักประกันทําอย่างนั้นได้ จึงจะมีหลักประกันอันแท้จริงที่คนจะไม่โกงนะอาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องของสังคมขณะนีนะ้สังคมขณะนี้ที่เป็นเรื่องต่อสู้กันอยู่พูดกันชัดๆก็คือต่อสู้กันอยู่ระหว่างนะขณะนี้ ต่อสู้ต่อต้านกันอยู่ในระหว่างนายกรัฐมนตรีพูดให้ชัดๆขอไปที่อัตมาจะพูดสั้นๆแล้วระบุตัวตนระบุบุคคลขึ้นไปเลยเพราะว่าเขารู้ๆกันอยู่ทั่วไปแตอัตมาก็ฉามีเวลาไม่มากนักก็อยากจะพูดตรงๆชัดๆเลยก็เช่นนายกรัฐมนตรีรปัจจุบันนี้นี่แหละนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปัจจุบันนี้ขณะนี้มีเรื่องมีราวพุทธังซึ่งเรื่องราวเกิดมาเป็นฉามิ ต่อต้านต่อสู้กันมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วจนมาถึงวันนี้แล้วทุกอย่างชัดเจนมากชัดเจนยิ่งกว่าจะชัดเจนแล้วทีนี้เรื่องยังไม่จบเพราะอะไรเพราะการต่อสู้คราวนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างคัฉามิผู้ต่อสู้สองฝ่ายคือผู้บริหารก็พูดจะชัดก็คือนายกนั่นแหละ พุทธังนายกรัฐมนตรีคฉาเป็นเป็นเป้าหมายหลักเป็นเป้าหมายสำคัญนายกรัฐมนตรีตีความทามังไม่ชอบทำสรนังคดฉามิเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ชอบทำทางประชาชนก็ต้องการจะให้ตียอปิสังคังให้สรนังที่จะทำหน้าที่บริหารต่อไปนี่ก็พูดชัด สู้กันมาจนถึงวันนี้แล้วการต่อสู้เชิงนี้เราเรียกว่าเป็นเชิงของการเมืองหรือเป็นเจริญของประชาทุกเป็นทที่สวยสดงดงามหลือเกินและเป็นการเมืองชนิดใหม่ทําไมใหม่ชความี่ยังไม่มีตําราในรัฐศาสตร์อาตมาว่างันนะอาตมาอาจจะเดาหมายถึงที่ที่พระอาตมาไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์แต่อาตมาว่าในนิยามที่มันหม่ยเขามันยังไม่เคยเกิน ก็นมเน้นเป็นทางตั้งแต่โบราณกาลมาดามต่อสู้ทางการต่อเมืองแข่งขันแย่งอำนาจมาบริหารเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นใหญ่ในบ้านเมืองต่อสู้กันมานานลตั้งแต่โบราณมาจะถึงทุกวันนี้แม้ที่สุดจะมามีระบอบประชาธิปไตยก็ตามก็ยังต่อสู้กันอยู่ในแนวเดิมทำหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ใช่คือมะไอยู่ด้วยแนวเดิมที่ว่านี่คือวิ แนวเดิมคือต่อสู้กันแล้วก็สามารท้ายะทกันเรียนรู้พอปะทะกันแล้วก็ใช้เรียวใช้เรียวใช้แรงอาตมาเทศไปวันข้าแก้ทำร้ายกันศาสนาพุทธนั้นวสามารถเข้าใจพลังงานล้มตายที่มีอยู่ในโลกหรือในจักรวาลนี้ที่แบ่งออกนั่นุือลักษณะอุการต่มสู่ทางประชาธิปไตยที่เคยมาแก่ดานิยาม เป็นจิตแม้จะเป็นประชาธิปไตยมาถึงทุกวันนี้ก็ตามก็เป็นลักษณะนี้ธรรมัะนิยามสุดท้ายลงท้ายโดยการประคับกันแล้วก็แข่งกันบาดเจ็บพลังงานที่เป็นอุตุกนั้นน่ะเป็นพลังงานที่วิกฤตเมื่อถึงขั้นวิกฤตอย่างนั้นแล้วที่ยังไม่มีชีว่าจะมีความร้อนแสงเสียงแหลมแหลมไปในประเนศไทยเราเป็นพลังงานทางด้านที่สิ่วทางวิทยาศาสตร์ก็เรียนรู้มาทั้งหมดทุกที่ ยังไม่มีชีตุลาคมก็ดีเป็นความรู้เป็นพลังงานยังยังมียังไม่มีคสามรู้2003ยังไม่เป็นความรู้เป็นพลังงานที่อาจจะแรงมากรุนตายกันขึ้นมาพลังงานนี้อาจจะยิ่งใหญ่ก็ต้องมาพึ่งในถึงในกลุ่มและต้องใช้อํานาจผู้ใหญ่ที่สุดอยู่ในดวงอาทิตย์ทั้งดวงที่คนในบ้านในเมืองที่อยู่ในพวงนั้นจะมากมหาศาลในเชิงนั้นเชิงของทางฟิสิกส์ก็ต่อมาระงับพลังงานเหล่านั้น ไม่เป็นชีวะนั่นเป็นพลังงานที่พัฒนาตัวขึ้นมาเป็นชีวะแต่ประชาธิปไตยที่เกิดในขณะนี้โดยเฉพาะครั้งนี้นี่อาตชาว่ามันเป็นหรือพืชนี่แหละประชาธิปไตยหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์โลกขออภัยเถอะถ้าจะพูดใหญ่เกินไปเป็นหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์โลกซึ่งเป็นการต่อสู้ที่สุภาพเรียบร้อยไม่รุนแรงยาวนาน แล้วก็ใช้สํานึกใช้สํานึกใช้ความจริงใช้ความรู้มาสู้กันไม่ได้สู้กันอย่างสมัยโบราณที่เอาเรี่ยวเอาแรงเหมือนสัตว์ที่ต่อสู้กันเหมือนสัตว์หรือว่าเหมือนมนุษย์คนก็ตามซึ่งยังเป็นชั้นอาตมา ถ, ถือว่ายังเป็นชั้นยังไม่สูงยังไม่เจริญเอาเรี่ยวแรงประทะกันฆ่าแกงกันแล้วก็ทําร้ายกันเสร็จแล้วพอฆ่าแกงกันตายผู้ที่แพ้สมมุติว่าไม่ได้มีใครตัดสินผู้แพ้ แพ้ไปผู้ที่ขึ้นมาชนะก็มาบริหารใช้อานาจมายึดอานาจได้ก็ทำงานไปเสร็จแล้วก็บเดียวก็ต้องมีคนอยากจะแย่งอานาจอีกก็มาฆ่าแกงกันอีกฆ่าแกงกันอีกชนะก็บริหารต่อไปอีกผู้ที่อยากจะแย่งอานาจก็เข้ามาอีกต่อสู้กันอีกฆ่าแกงกันอีกชนะแล้วก็บริหารต่อไปอีกอันนั้นเป็นนิยายน้าเน่าบทเก่า เป็นประชาธิปไตยเก่าแล้วแต่อันนี้มันใหม่ใหม่มากเลยเพราะว่าเป็นการไม่ใช้แล้วเรื่องเรียวแรงแบบที่ต่อสู้กันอย่างสัตว์โลกในระดับหนึ่งแต่อันนี้เป็นการต่อสู้กันอย่างสุภาพต่อสู้กันอย่างเอาความจริงมาเปิดเผยกันเอาความรู้มาอธิบายกันเอาหลัก ฐานต่างๆที่มันมีประกฐานเป็นอย่างไรความผิดความถูกมีหลักฐานยืนยันกันอย่างไรเอามาชี้แจงกันเอามาเปิดเผยกันเอามาแฉกันเพื่อที่จะเห็นความจริงว่าความผิดนั้นอยู่ที่ใครแน่ความถูกต้องนั้นอยู่ที่ใครแน่ไม่ต้องลบราฆ่าฟันกันไม่ต้องใช้เรียวใช้แรงนี่เป็นมิติใหม่เป็นประชาธิปไตยบทใหม่ในโลก ซึ่งไทยทำได้แล้วขณะนี้มาถึงวันนี้อตาตมาว่าทำได้แล้วทำได้คืออะไรก็ต่อสู้กันมาตั้งเป็นเดือนนี่เสียงประชาชนตอนนี้มาหมดแล้วไม่รู้ว่าหมูกมหหม่กลุ่มไหนหมู่กลุ่มไหนเข้ามาเป็นเสียงประชาชนทุกองค์กรทุกด้านทางนักวิชาการผู้รู้โดยตรงทางรัฐศาสตร์ก็ดีเศรษฐศาสตร์ก็ดีสังคมาศาสตร์ก็ดีนิติศาสตร์ก็ดีออกมาหมดแล้วออกมาเปิดเผยหลักเรื่อง การเงินเรื่องแม้แต่กระทั่งทูตท่านทูตก็ไปหยิบเอาความจรงิงมาเปิดเผยมาแฉว่าอะไรมันผิดมันถูกอย่างนี้เป็นต้น<ม>ผู้ที่รู้ผู้ที่มีหลักฐานความจรงิงเอามายืนยันเปิดเผยกันแฉกันออกไปให้หมดจนจำนวนในหลักฐานความจริงนั้นนี่คือแพ<ม>้เหตุการณ์ขณะนี้ประเทศทันประเทศไทยเนี่ย ถึงขั้นที่ตัดสินได้แล้วแต่ผู้ใหญ่หลายท่านผู้ใหญ่หลายผูย้ยังยังยังคิดว่ายังจะท่านก็คงจะยังชะลอชะลออะไรอยู่แต่อัตมาว่าท่านกาลังคงจะต้องได้กระทำในไม่นานนี่แหละถ้าสมัยก่อนท่านนิยายบทเก่าพอถึงขั้นเลือดตกยางออกถือว่รุนแรงระงรบรับรีบระงับได้แล้วผู้ใหญ่ก็รีรบออกมาทาการระงรับ นั่นใช่ใช้หลักฐานในการทำร้ายทำแรงชนิดนั้นอาตมาไม่ไม่มีภาษาทางวิชาการ น, นะนะอาตมามีแต่ภาษาลูกทุ่งภาษาสามัญอธิบายฟังอาจจะเข้าใจง่ายแต่ว่ามันมันต้องวนพูดไปพูดมายาวๆส่วนประชาธิปไตยอย่างชนิดใหม่ขณะที่กำลังพูดถึงนี้กำลังเกิดในขณะ น, นี้ในไทยขณะ น, นี้นี่ยังไม่จบสิ้นลงไปเนี่ยอาตมาว่าท่านผู้ใหญ่ก็รู้แล้วล่ะ ว่าขณะนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ถึงขั้นวิกฤตแล้วแล้วก็ถึงขั้นวิกฤตอย่างไรมันวิกฤตมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าพวกประชาชนหรือผู้รู้ผู้อะไรเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมรว่แรงขึ้นแรงขึ้นแรง ข, ขึ้นพอมารวมกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นไหมเสียงดังที่จะบอกว่าออกไปออกไปออกไปแล้วร้องเหมือนกับคนจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วมีอารมณ์ร่วมที่อารมณ์ขับไล่ะ มันสูงและผู้ที่มาแฉในเรื่องความจริงหลักฐานที่อัดอั้นพูดไม่ออกเป็นข้าราชการที่ถูกครอบงาถูกกดดันหรือเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่ทำธุรกิจอยู่ที่ถูกกดดันมาตลอดเวลาตอนนี้ระเบิดออกมาพอแล้วระเบิดออกมาแล้วก็มาแฉแฉแยิ่งแฉก็ยิ่งทับลงไปที่นายกเพราะนายกเป็นตัวเหตุใหญ่ เพราะฉะนั้นเรื่องไม่ดีอะไรก็เกิดเปิดเผยขึ้นเปิดเผยขึ้นเปิดเผยขึ้ น, อ, น, นอัตมาว่านายกนั่นแหละจะเครียดหรือจะสติเสียได้ลูกขณะนี้อัตมาก็ได้ข่าวมาไม่รู้เท็จจริงอย่างไรไม่รู้นะว่าลูกของนายกตอนนี้ก็กดดันเดี๋ยวเพื่อนก็บอกเพื่อนก็พูดได้ยินเองด้วยทำไมเขาด่าพ่อเราอย่างนี้ทำไมเขาด่าพ่อเราอย่างงี้อัตมาว่ามันวิกฤตแล้ว เดี๋ยวลูกก็จะประสาทเสียนะเพราะว่าบดดาทุกวันด่าทุกวันดุทุกวันกระแทกทุกวันทุกวันทุกวันเปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปทุกวันทุกวันทุกวันมันมากพอแล้วมากพอแล้วอย่าไปรออย่าไปรอว่าให้เกิด เ, เลือดออกค่าแกงคนที่จะก่อเหตุไม่ดีในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความจราจนวุ่นวาย กอดดในเรื่องที่จะให้เลือดตกยางออกนั่นนะ่ะในประเทศไทยถึงวันนี้อาตมาภาค ภ, าคภาคูมิใจมากทําไม่ค่อยเกิดทําไม่ค่อยขึ้นทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการผู้รักษาความมั่นคงรักษาความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรหลายใดด้านที่ท่านมีหน้าที่ดูแลอยู่ดูแลได้อย่างดีมากเลยก็ขอขอบคุณขอชมเชยทีเดียวไม่กอกไม่เกิด เรื่องร้ายเรื่องแรงเรื่องอย่างนั้นไม่เกิดนี่คือความเจริญของประเทศไทยความเจริญทางประชาธิปไตยความเจริญของสังคมไทยในด้านนี้มีความสงบพอมีความอดทนพอมีความรู้พอและก็มีความสามารถพอที่จะไม่ให้ก่อเกิดเรื่องร้ายแรงเพราะเรื่องร้ายแรงขนาดนี้มาถึงวันนี้ไม่เกิดมีแต่จะแฉแฉแฉความจริงความรู้หลักฐานความอะไรอะไรออกมา ซึ่งมันจะกดดันเข้าไปที่คนเยาว่าแต่นายกเยาว่าแต่ลูกของนายกเยาว่าแต่ญาติโกโยติกาของนายกผู้ที่ร่วมงานอยู่กับนายกแวดล้อมอยู่กับนายกที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียหรือเป็นผู้ร่วมไม้ร่วมมืออยู่คอดพลอยถูกแฉความจริงที่เป็นความจริงอันไม่ดีกดดันออกไปด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยสักวันหนึ่งอาตมาว่าเดี๋ยวจะเกิดสติแตกประสาทเสีย ไม่นานนะเนี่ยอีกไม่นานนะถ้าปล่อยให้แฉปล่อยให้ทำกันอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องถึงตายสู้กันด้วยความจริงอย่างที่อาตมากล่าวแล้วเปิดเผยความจริงฉาดายความรู้แฉหลักฐานต่างๆที่ปรรดามีออกมาเพื่อยืนหยัดยืนยันว่านี่เป็นอย่างนี้ความผิดคืออย่างนี้ความบกพร่องคืออย่างนี้ความไม่ดีไม่งามคืออย่างนี้ มันยิ่งจะหนักนะอาตมาว่าถึงเวลาแล้วแหละควรจะจบได้แล้วผู้ใหญ่ที่จะสามารถออกมาระ ง, งับขอร้องเถิดขอร้องออกมาจัดการระ ง, งับเรื่องนี้มันถึงขั้นวิกฤตแล้วเราจะไปมองว่าโอ้มันยังเลือดไม่ตกยางไม่ออกเหมือนอย่างนิยายนำเน่าบทเก่าไม่ได้เอาตรงนั้นมาตัดสินว่าตอนนี้วิกฤตแล้วเพราะเลือดตกยางออกแล้วรุนแรงแล้วไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องเก่านิยายบทเก่านั่นมิติเก่า ม, มันไม่ใช่มิติใหม่แล้ว อันนี้มีติใหม่ที่เป็นความเจริญอัตมาพูดแล้วก็ภาคภูมิใจในคนไทยไทยทำได้ยังไงเกิดได้ยังไงในเมืองไทยอัตมาว่าก่อนใครๆในโลกนะประวัติศาสตร์แห่งการเมืองรัฐประชาธิปไตยบทนี้เนี่ยน้านี้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์หน้านหนึ่งเราทำได้และควรจะต้องปร ะ, ประคองนะอย่าให้เกิดความเลวร้ายรุนแรงแต่จะรอไปจนกระทั่งถึงขั้นนายกประสาทเสีย ลูกนายกประสาทเสียผู้ที่แวดล้อมนายกอยู่ประสาทเสียผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียยุกต่างๆอยู่ในกิจการของนายกเกิดประเบิดประสาทเสียขึ้นมาจึงจะถือว่าเป็นการวิกฤตถึงขั้นจะต้องออกมาห้ามทัพหรือตัดสินอาตมาว่ามันจะเสียหายมากไปกว่าที่จะต้องบาดเจ็บเลือดออกระมังมันควรละทิศทางกัน เพราะงั้นอันนี้มันอาจจะยังงงงงหรือว่าอาจจะตัดสินยังไม่ได้อาจจะยังไม่ไ ม, ไม่อาจจะยังมันไม่เคยมีอ่ะมันยังไม่เคยเกิดนะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเกณฑ์แห่งการตัดสินเอาเหตุปัจจัยอะไรเอาความรุนแรงอย่างไรมันไม่ใช่ความรุนแรงอย่างชนิดใช้เรียวใช้แรงแต่มันเป็นความรุนแรงทางนามธรรมา ท, ทางความรู้ทางปัญญา ทางหลักฐานความจริงอย่างมนุษย์เจริญอย่างมนุษย์ผู้เจริญเรื่องนี้เป็นเรื่องอาตมาว่าวิเศษสุดยอดเลยวาะมาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็เลยคิดว่าท่านผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอได้โปรดช่วยด้วยเถิดบอกถึงคราวแล้วละในตก เย็นพอเวลาประมาณเย็นๆหน่อยอามาแล้วโอ้โหยาวเมื่อคืนนี่ยาวเหยียบไปจนนั่นน่ะถนนไปทางนางเลิงก็มีเต็มใบหนวดนั่นน่ ะ, ะยาวเหยียบไปหมดเลยเต็มเลยนับวันจะมากขึ้นมากขึ้นนะขนาดนักธุรกิจเองออกมากันเป็นทีวเป็นมอบนักธุรกิจเมื่อคืนมาจากสีลมอะไรเงี้ยมาหมดแล้วตอนนี้มาหมดแล้ ว, นนลวผู้ที่รู้ผู้ที่มีภูมิปัญญาพอสมควรมันแปลกตรงที่ว่า ทังฝ่ายประชาชนเนี่ยคนรวยฐานะดีคนชั้นกลางกับคนชั้นสูงเอาดอกไม้มาให้แต่ฝ่ายท่านนายกนั้นคนระดับล่างคนระดับที่ระดับยากจนหรือว่าระดับล่างเป็นคนเอาดอกไม้ไปให้ในายกแต่ทางด้านประชาชนที่นอนกลางดินกินกลางทรายอยู่เนี่ยนอนค่าในถนนเนี่ยกลับมีคนชั้นกลางกับคนชั้น สูงชั้นฐานะดีเอาดอกไม้มาให้ น, นี่มันมันสื่ออะไรมันสื่ออะไรทางด้านโน้นน่ยคนยากคนจนดอกไม้นี่นะไม่ใช่ดอกถูกๆนะไม่รู้ว่าซื้อเองได้หรือเปล่าดอกกุหลาบดอกอะไรเนี่ยนะถึงมันตัวเองไม่กล้าซื้อหรอกคนที่ฐานะไม่ดีไม่กล้าซื้อดอกดอกกุหลาบราคาดอกเราต้องไม่รู้กี่ลังไม่รู้รแกจะซื้อไปทําไม แต่คนร่ำรวยไม่มีปัญหาแต่คนยากจนนี้นเขาไม่ซื้อหรอกแต่ซื้อไปให้าในายกนี่ก็เถอะไม่รู้แกซื้อเองหรือไม่ซื้อเองอาตมาก็ไม่รู้นะอาตมาพูดไปงั้นนะอันนี้ไม่รับรองนะแต่ก็คนเขาว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ซื้อเองหรอกมีคนซื้อมาให้เอาไปให้ในายกว่างงั้นนะเพราะงั้นในแง่เชิงเล็กๆ น, น้อยๆแค่นี้ก็เป็นการสื่อให้เรารู้ว่าสังคมนี้มีอะไรเกิดขึ้น มันแบ่งฝ่ายอย่างที่อาตมากล่าวแล้วว่ามันแบ่งชัดเจนแล้วมันห้ามไม่ได้ในคนเมื่อยุดถือแล้วคำตอบมันไม่มีนอกจากจะต้องแก้เหตุเหตุที่แท้จริงมันเป็นคำตอบเดียวขนาดนี้คือนายกคนนี้ต้องหยุดถ้าขืนดือ้อดึงดันต่อไปก็ไม่มีจบ ไม่มีการแก้ปัญหาอื่นจะบอกว่าจะมาคุยกันจะมาโน่นจะมานี่จะอะไรอะไรต่างๆนานาสารพัดที่กำลังหาทางออกอัตมาว่าทางออกมันมีคำตอบเดียวมันไม่มีคำตอบให้แก่คำถามใดๆอีกแล้วมันหมดคำตอบที่จะให้แก่คำถามใดๆแล้วขณะนี้มันชัดเจนในปัญญาชนในผู้รู้มันไม่มีนอกจากจะเลี่ยงหุ้นไปนอกจากจะแก้ไขแก้ไขแก่ เขินอะไรไปเท่านนั้นเองหาทางออกที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยึดแล้วเพราะฉันจะทำอย่างไรที่จะให้ผู้มีอำนาจหรือผู้มีฐานะทางสังคมที่สามารถจะให้ในยกในหยุดลาออกหรือระ ง, งับการจุดเป้าหมายอาตมาไม่ต้องพูดหรอกรู้อยู่ว่าจะทำอย่างไรไม่จาเป็นที่อาตมาจะต้องชี้โรงให้กระรอก อาตมาว่ามันมีคําตอบเดียวขณะนี้และอาตมาก็แน่ใจว่าถ้าขืนไม่หยุดปล่อยให้ชุมนุมกันและก็ต่อต้านกันไปอีกเนี่ยนะแน่นอนอาตมาเชื่อว่าทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดในจุดยืนที่จะยืนอย่างนี้ว่าจะต้องให้นโยกออก ทานยกก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ออกไม่ออกไม่ออกทางนี้มีแต่จะแฉกับแฉแฉแฉแล้วก็เอาหลักฐานความจริงจากใครต่อใครซึ่งตอนนี้ก็หลายคนอัตมาใช้ภาษาว่าหมูไม่กลัวน้ําร้อนออกมากันมากมายแล้วหมูกระโดดออกมาแล้วไม่กลัวแล้วน้ําร้อนออกมาแฉทูดสามท่านที่ออกมาเปิดเผยวันนั้นมีทูดสองท่าน ที่ปลดเกษียณแล้วอาก็ไม่เท่าไหร่ยางเก่งก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทส่วนอีกท่านหนึ่งนั้นยังไม่ได้ปลดเกษียณยังเป็นทูตอยู่ยังกล้าแล้วรู้สึกว่าโอ้โหกล้ากล้าหานเพราะว่ายังหนุ่มกว่าอาตมาเห็นเวลาพูดเวลาเปิดเผยเวลาแชฉนี่โอ้โหอาตมาเห็นเส้นคอ ขึ้นเป็นลำลำเลยเส้นคอพูด อ, อ, อะไรจะอัดอั้นขนาดนั้นนะนั่นคคนสุดอัดอั้นแล้วนะขณะนี้คนที่สุดอัดอั้นมีอยู่เรื่อยและกำลังถูกเติมเชื้อที่จะเสริมเติมเชื้อกำัไปอีกเชื้อเพื่อที่จะกดดันให้แต่ละคนแต่ละคนรับแรงกดดันอันนี้ต่อไปสักวันนึงก็ระเบิดยิงระเบิดขึ้นมาแรงกว่า น, นี้ อาตมาว่ายังมีอีกมากที่จะมาช่วยกันระเบิดแล้วแรงนี้จะกดดันอีกต่อไปจนกระทั่งจะปล่อยให้ถึงขั้นท่านนายกสติแตกหรือว่าประสาทเสียหรือว่าลูกหลานญาติโกโยติกาของท่านนายกหรือผู้ที่ร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับท่านนายกขณะนี้คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนต้องถึงขั้นสติแตกหรือว่าระเบิดไปแล้วหรือยอย่างไร ขอรอ้องเถอะผู้ที่มีฐานะทางสังคมที่จะช่วยประเทศชาติสังคมไทยเราได้ในขณะ น, นี้ขอรอ้องเถอะอัตมาอธิบายไปแล้วเรื่องสัจธรรมไม่ใช่อัตมาเป็นเจ้าของแต่เป็นของพระพุทธเจ้าที่บอกวความเป็นกลางนั้นจะต้องเข้ามาช่วยคนดีความเป็นกลางนั้นจะต้องช่วยว่าช่วยคมช่วยตําหนิคนผิดนิคันเหนิคหาราหัง และจะต้องยกคนถูกช่วยคนถูกต้องช่วยคนที่ที่ดีนี่เป็นเรื่องของสัจ ธ, ธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ลำเอียงหรอกท่านไม่มีฉันทาคติไม่มีโทสาคติโมหคติไม่มีพยาคติไม่มีท่านท่านไม่มีแล้วแต่เพราะงั้นผู้ใดที่ยังมีอะไรอยู่ก็แล้วแต่เถอะก็ควรจะต้องคลายได้หมดแล้วขณะนี้ออกมาช่วยสังคมประเทศชาติด้วยเถิดนะ มันต้องเลือกฝ่ายอย่างที่อาตมาก็ยืนยันแล้วว่าของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่บอมให้เลือกฝ่ายต้องอยู่กับฝ่ายบัณฑิตอย่าไปอยู่กับฝา่ายพานฝ่ายพานคือฝ่ายผิดบัณฑิตคือฝ่ายถูกเราจะต้องอยู่กับฝ่ายบัณฑิตบัณฑิตที่ว่านี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจบดอกเตอร์คนจบปริญญาตรีโทเอกคือบัณฑิตไม่ใช่นะบัณฑิตนี่คือผู้ถูกต้องที่แท้จริงฝ่ายที่ถูกต้องอย่างสมมาทิฏฐิ อย่างถูกต้องอย่างเป็นสัจธรรมต้องเลือกฝ่ายพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าคนจะอยู่นี่เป็นคนคนเป็นกลางจะต้องอยู่กลางๆระหว่างคนชั่วกระหว่างคนดีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านี้เลือกฝ่ายมาอยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องด้วยฝ่ายที่ดีงามคือฝ่ายมันดิตอย่าไปอยู่กับฝ่ายผิดนี่คือความเป็นกลางนะศึกษาดีๆเถอะ เราจะได้เข้าใจสัจธรรมอย่างถูกต้องแล้วทุกอย่างมันจะเรียบร้อยงดงามเป็นสุขสามคัคคีหรือว่าอยู่อย่างมีการระงับได้เมื่อมันแตกแยกเนี่อาตมาก็บอกแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของนาน า, นาสังวาสมันเป็นเรื่องของการการเห็นแตกแตกต่างกันยึดแตกต่างกันความเข้าใจแตกต่างกันมันจริงๆมันเกิดแล้วมันบังคับกันไม่ได้ จึงจำเป็นต้องให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำรรตามความยึดเห็นของตนเองท่านให้สิทธิเสรีภาพสุดยอดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะหลักนาน า, นาสังว่าที่แบ่งเป็นสองฝ่ายเนี่ยมันมันเกิดจากสัจเกิดจากสัจธรรมหรือเกิดจากธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอมันไปบังคับกันม่ให้มาเชื่อทางนี้บั ง, งคับทางนี้มันก็ไม่ใช่อิสระเสรีภาพ ถอสระเสรีภาพก็ไม่ต้องบังคับเมื่อคุณไปเห็นอย่างนั้นเชื่อคุณก็อยู่กับฝ่งฝ่ายโน้นไปคนเห็นฝ่ายพานก็ยึดถือฝ่ายพานก็อยู่กับฝ่ายพานไปคนที่ยึดถือบัณฑิตเชื่อว่าบัณฑิตถูกก็มาอยู่กับฝ่ายบัณฑิตส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจน่ะคนที่ยังไม่เข้าใจคนที่ยังต้องศึกษาต่อยังไม่รู้ก็พยายามศึกษาต่อพยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน ความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเมื่อเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อที่ถูกต้องแท้จริงก็คือฝ่ายบรณฑิตที่แท้อย่างนี้เป็นต้นส่วนฝ่ายที่ยังไม่รู้และก็ยังจะต้องไปเข้าฝ่ายไม่ถูกหรือฝ่ายผิดอยู่ก็ต้องปล่อยเขานะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ในภาษาทางธรรมะท่านบอกว่าเอาเมื่อเกิดแยกฝ่ายกันอย่างนี้แล้วจะทาอย่างไรปฏิบัติอย่างไร ในคนทั่วไปท่านก็ตรัสว่าคนทั่วไปก็ต้องไปฟังธรรมะทั้งสองฝ่ายนี่เป็นภาษาของศาสนานะให้ไปหาไม่ศึกษาทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดเมื่อเราไปศึกษาแล้วเราก็ตัดสินเอาเองเห็นว่าอะไรเป็นธรรมวาทีถ้าใช้ว่าภาษาว่างี้อ่าถ้าเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนเป็นธรรมวาทีคือฝ่ายที่ถูกต้องเห็นว่าฝ่ายนี้ถูกแล้วเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วก็ ก็อยู่กับฝ่ายนั้นถ้าเห็นแล้วว่าฝ่ายใดไม่เป็นธรรมเรียกว่าอธรรมวาทีฝ่ายใดไม่เป็นธรรมเป็นอะธรรมวาทีก็อย่าไปอยู่กับฝ่ายนั้นก็ตัดสินเอาเองอันนี้อิสระเสรีภาพส่วนตัวจริงๆเลยน่เป็นเสรีภาพจริงๆเลยนะเพราะงั้นในเรื่องของสัจธรรมหรือในเรื่องของธรรมมของพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนไว้ครบครันหมดทุกอย่างเลย วาระนี้อาจะมาว่าถึงคราวที่จะต้องเอาธรรมะที่ลึกซึ้งสุดประเสริฐอันนี้ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะหลักนาณ า, าสังวาสเนี่ยของพรุทธเจ้านี่เอาออกมาใช้กันในงวดนี้ให้ได้นะมาศึกษากันให้ดีเรามีของดีของประเสริฐในาศาสนาพุทธอยู่แล้วเราอย่าไปเผลอไปเมินนะอย่าไปเห็นว่าโอ้ยพวกเราเป็นชาวพุทธแล้วก็จะเป็นกลางก็อยู่เฉย ใครจะดีใครจะชั่วเราก็อยู่เฉยๆไม่ต้องเข้าข้างใครไม่ต้องไปศึกษาต่อไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรอีกมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะอยู่ในสังคมนี่เราจะต้องเพราะสังคมเป็นสังคมมนุษย์โคลงเป็นสัตว์โคลงเป็นมนุษย์ที่จะอยู่รวมกันอย่างสันติอยู่กันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเจอจาอยู่กันอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์คนได้ช่วยเหลือเจอจาได้เสียสละได้สร้างสรรมาทานมาบริจาค มาให้แก่ผู้อื่นคนนั้นเป็นคนมีบุญหรือเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีแต่เอาเปรียบไม่ต้องไปพูดถึงขั้นขี่โกงถึงขั้นทุจริตแค่เอาเปรียบนี่ก็เป็นคนชั่วแล้วบาปแล้วเพราะงั้นในวิธีคิดของทุนนิยมเนี่ยอาตมาถึงได้เอามา พยายามอธิบายว่าวิธีคิดของทุนนิยมเนี่ยที่ขายเกินทุนเนี่ยเป็นวิธีคิดที่มันบาปตอนนี้ผลบาปมันไปทั้งโลกเลยมันกระทบกระเทือนไปทั้งโลกเลยแล้วก็หนักหนาสาหัสผู้ที่เป็นนายทุนหรือผู้ที่ได้เปรียบเอาเปรียบเก่งฉเฉลียวฉลาดแล้กวก็มีพรรคพวกมีอำนาจทางสังคมก็เอาเปรียบกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนรวยจะรวมหัวกันเพื่อเอาเปรียบ มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนที่ไม่ฉลาดเท่าคนที่ไม่มีอำนาจพอคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจก็จะถูกเอาเปรียบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนจึงจนลงจนลงจนลงและคนรวยก็จะรวยอย่างซับซ้อนจะรวยอย่างทับทวีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยไม่มีที่จบเพราะกิเลสมันไม่เคยพอกิเลสไม่เคยจบมันไม่เคยพอ เมืองไทยนี่เป็นเมืองสุดประเสริฐที่มีพระเจ้าอยู่หัวสุดมีพระปีชายานเตือนสติเรามานานเต็มทีแล้วในหลวงพระองค์นี้ท่านเตือนทรงเตือนมาให้สัญญาณมาว่าจงใช้การเป็นอยู่หรือเศรษฐกิจพอเพียงเอาเรามาสรุปผลแต่แรกๆท่านก็ไม่ตรัสคำว่าเศรษฐกิจอะไรหรอกท่านก็ตรัสโดยภูมิพระปีชายานของพระองค์ ตรัสบอกเตือนประชาชนเตือนผู้บริหารให้มาใช้วิธีทําเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ว่าเนี่ยพอคืออะไรพอคือสันโดษพอเพียงเนี่ยคือสันโดษสันโดษแปลว่าอะไรสันโดษแปลว่าพอใจพอแต่มาแปลกันผิดๆในเมืองไทยนี่มาแปลสันโดษว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไปถามเศรษฐี ที่จริงไม่ใช่เสียทีหรอกเป็นกระดุมพีคือคนร่ำรวยไปถามกระดุมพีที่มีเงินหมื่นล้านห้า0มื่นล้านเจ็ด0มื่นล้านไปถามดูสิว่าพอหรือยังและพอใจในสิ่งที่ตนมีไหมเขาก็จะตอบว่าพึงพอใจมากที่มีเงินเจ็ดหมื่นกวล้านพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แน่ แต่เขายังไม่พอยังไม่สันโดษหรอกเขาพึงพอใจของเขาทีมเขามีแน่แน่นอนแต่เขาจะไม่สันโดษเขาจะไม่พอเขายังอยากได้อี ก, เ, อกเพราะฉะนั้นการอยากได้อีกอยู่ไม่ใช่สันโดษสันโดษคือความพอความจบมีเท่านี้ก็พอชีวิตของเราดำเนินไปได้ไม่ทุกข์ไม่ลำบากและก็ไม่ทรมานร่างกายชีวิต นี่เป็นหลักการของพระรู้เจ้านะเพรา ะ, ะนนคนที่รู้จักพอคนนั้นแหละคือคนที่ไม่เบียดเบียนและก็เริ่มต้นจะลดการเบียดเบียนนะเมื่อไม่เบียดเบียนก็มีแต่จะให้เขาจึงเกิดความรู้คนที่มีความรู้ที่ดีความรู้ทางธรรมก็จะรู้จักพอใช้แต่พอกินแต่พอและก็เก็บ ไปพอหมุนเวียนใช้ในตัวเองแต่พอแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปมากกว่านี้ไม่ต้องไปเอามากกว่านี้ยิ่งเป็นระบบที่เป็นสังคมกลุ่มเป็นชุมชนเป็นระบบสังคมใหญ่ขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างชาวโอโซกอีกครั้งหนึง่งชุมชนชาวโศกที่เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมีชุมชนมีประชากรเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยอยู่กันอย่าง สันโดษมักน้อยตามที่พุทธเจ้าตัสสอนลดกิเลสของตนเองเพราะะนันอยู่จนกระทั่งกลายเป็นคนที่ไม่ต้องสะสมเงินชาวโงกเนี่ยใจมันพอจนกระทั่งว่าเออเป็นชีวิตไม่ต้องมีบ้านช่องของตัวเองและมีบ้านช่องอยู่ไหมมีมีบ้านส่วนกลางหรือมีบ้านเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายจะพักผ่อนจะอยู่ก็ง่ายเลี้ยงง่าย พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในคนมีวันณนะวันณะของพุทธนะไม่ใช่วันณะของชาวอินเดียนะเรียกว่าวันนางท่านตรัสไว้อคนมีวันณนะวันณะก้านี่มีเยอะอยู่ในพระไตรปิฎกในวินยัยท่านจะตรัสก่อนที่จะท่านจะสอนภิกษุแล้วก็จะตราวินยัยอะไรข้อไหนแค่ไห น, นออกมาเยอะแยะมีมากมายหลาสูตรท่านตรัสเอาไว้ว่าคนที่มีวันณนะ วรรณักท่านแบ่งไว้9ข้อหนึ่งสุพระสองสุโปสะสอัอปิจชะ 4. ีสันตุธหรือสันโดสนี่แหละ 5, สันเลขะหทูตะกเจดปาสาธิกะ 8. ดอปัจยะ 9. วิริยารำพะนี่คือวันนักก้าเป็นคนเจริญเจริญอย่างอย่างวิเศษ อาตมาเคยใช้ภาษาอังกฤษกำกับว่าพวกนี้เป็นคนเป็น the classes ไม่ใช่ the masses the masses ก็คือคนทั่วไปส่วนใหญ่แต่คนที่มีวันนะเก้านี้เป็นคนชั้นสูงมีส่วนไม่มากนักเรียกว่า the classes ในภาษาของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นอาริยะอาตมาไม่เรียกอาริยะ เพราะอริยะเป็นคําเสียแล้วทุกวันนี้อาตมาก็เลยเรียกอริยะขอใช้ร่วมกับพระศรีอานหรือพระศรีอริยะเอาอริยะของพระศรีอริยะเมตรไตรเอาอริยะตัวนี้มาใช้แทนแทนจะเรียกอริยะเพราะว่าอริยะนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ยังไม่เสียคํานี้แต่อริยะที่เสียแล้วไปเอาไปเรียกคนที่เก่งในทางสยศาสตร์ทางเดริชานวิชาทางอะไรอะไรนี่เป็นพระอริยะ ซึ่งมันเป็นเรื่องของออกนอกรีดไปแล้วไปเรียกพระ อ, อริยะที่มีอิทธิปาฏิหารบ้างมีอาเทศนาปาฏิหารบ้างซึ่งไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหารเลยไม่ใช่เรื่องเป็นการลดละกิเลสหรือไม่ใช่เรื่องที่เป็นในทิศทางของพุทธศาสน า, าเป็นเรื่องที่รพระเจ้าท่านโยนทิ้งท่านตีทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นคาอริยจะจึงเป็นคําเสียและอาตมาก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช้ด้วยอาตมาก็เลยมาขอใช้คําว่าอาริยะ ซึ่งก็คืออาริยะสีอานนี่แหละสีอาริยะนี่แหละหรือพระสีอาริยะเมตรตรนี่แหละขอเอาอาริยะนี่มาใช้แทนคำว่าอาริยะนะเพราะงั้นคนที่เป็นเดอะคลาสเซสเป็นอาริยะเนี่ยจะมีวันหน้าก้าดังกล่าวแล้วเลี้ยงง่ายเพราะชาวโศกเราหรือกองทัพรรมาเนี่ยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเห็นมัยกินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายนอนง่ายนั่งง่ายมันนอนกลางถนนมันนอนกันใน รุกขมูลโคนไม้ตายรม่มไม้ ร, ม ร, มไร่มไรอะไรสบายๆนะทั้งๆ ท, ที่คนที่มันนอนพวกนี้ที่มันนอนๆอนอยู่ในกลางถนนพวกนี้นี่นะจบปริญาเอกก็มีจบปริญาโทนันก็เยอะจบปริญาตรีไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะแยะคนเคยทำงานมามีไรายได้เดือนละแสนก็มีหลายหมื่นก็มีที่มันนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่ได้มีเงินเดือนเงินดาวอะไรกันแล้วทำงานฟรี แล้วก็ไม่ได้ไปเอายตดตำแหน่งอะไรแล้วไม่ใช่ว่าคนไม่รู้เรื่องคนข้างถนนจริงๆหรือว่าคนไม่มีการศึกษาหรือว่าคนไม่มีฐานะอะไรไม่ใช่ชาวโง่เนี่ยแต่งตัวอย่างนี้คุณไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครามาเดินท่อมๆอย่างนีน้บางคนที่มาเดินอยู่ในที่นี้เป็นพลเอกก็มีแต่นุ่งเกงขาสั้นใส่เสื้อเชิ้ตง่ายๆมนเดินอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกน แต่เป็นเป็นผลเอกปรกรเสียนแล้วนะอ่าอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่คนไม่มีฐานนะแต่เข้าใจธรรมะแล้วแล้วก็ฝึกตนแหละเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนะอย่างพลเอกคนที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ท่านไปเท่าไหนมาไหนท่านไม่ใช้รถส่วนตัวไม่ใช่รถเก๋งอะ่ะคือรถเมย์ไปไหนมาไหนขึ้นรถเมย์พลเอกคนที่ว่าเนี่ยนะ เป็นเพื่อนคุณจำลองเอาละก็แวะนิดนึงคือยืนยันหลักฐานให้ฟังบ้างเท่านั้นเองทีนี้การเลี้ยงง่ายเนี่ยก็คืออย่างนี้แหละคือมันไม่ติดยึดนะมันล้ากิเลส น, นะไม่ติดรูปรสกินเสียงจะกิน ก, ก็กินอาหารเออนี่กินทาบอาหารที่กินไม่ได้ติดรสไม่ได้ติดรูปไม่ได้ติดศักดิ์ีแมใส่จานใส่ชามหรูห ร, ร, รารา ต้องเป็นของปรุงแต่งได้สีได้สันได้สวยที่สดกลินต้องของแหมอย่างนั้นอย่างงี้ไม่ใช่กินง่ายกินรู้ว่าในกินเอาธาตุเลี้ยงร่างกายนะกินง่ายอยู่ง่ายพักง่ายไปง่ายมาง่ายนั่งง่ายนอนง่ายไม่ติดไม่ยึดนั่นเองเป็นคนละลดเป็นคนปล่อยวางเป็นคนที่ล้างกิเลสไม่ติดไม่ยึดนี่เรียกว่าสุภสุภะเป็นคนเลี้ยงง่ายสองเป็นคนบำรุงง่ายสุโปสะ หมายความว่าเป็นคนที่พัฒนาให้เจริญเจริญโดยเฉพาะเจริญทางธรรมเจริญทางจริยธรรมคุณธรรมไม่ติดในกามคุณไม่ติดในอัตตาไม่ติดในกามไม่ติดในอัตตาลดกามลดอัตตาซึ่งเป็นความยังเป็นความไม่เป็นกลางอันนี้ก็คือความเป็นกลางความเป็นกลางพรเจ้าสอนไว้ในธรรมจักรปวันาสูตรเนี่ยเป็นกลางนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นกลางที่ เอาความดีและความชั่วมาบวกกันแล้วก็สองหารคือกลางมันไม่ใช่ความเป็นกลางของพระเจ้านั่นคือเอาความชั่วดิล้างความชั่วให้หมดเลยสรรพาปาปสาการะนังมีแต่ดีสุขุสลูปัสสะปทาโดยล้างต้นเหตุกิเลสมันเป็นตัวพาชั่วพาไม่ดีน่ะพาทำบาป ล้างกิเลสออกหมดให้จิตสะอาดสัจจิตต์ประโยชน์ทนังเมื่อจิตสะอาดแล้วจึงมีแต่ยังกุศลให้ถึงพร้อมทำแต่ดีไม่ทำบาปทั้งพวงจิตสะอาดนั่นคือคนเป็นกลางไม่โตงไปข้างไหนแล้วข้างการมุสคัลิกะก็ไม่มีข้างอัตตกิริมัทธะก็ไม่มีเป็นกลางเป็นนิวตรอนนาเปนเทอนแล้วที่กลางของพระพุทธเจ้าแต่ทุกวันนี้นี่อธิบายกลางก็เลอะเทอะ สุดตรงใครจะฝืนตนเพื่อปฏิบัติเป็นสันเลขธรรมหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวอาตมาจะไล่ขึ้นไปถึงสันเลขธรรมต้องรีบร้อนรีบหน่อยมีเวลาอีกไม่ครึงคร่งชั่วโม ง, ง, งจะหมดเวลานะข้ออธิบายา The classes นี่ให้จบก็แล้วกันวันะอาวันะท่านมีหอย่างและอาวันะอาตมาไม่ไม่ ไ, มไมล่ละ ห, ห, หกอย่างนี่ไล่แต่ของอด้านวันะก็แล้วกันมีมีเ สุภะเตียงง่ายบำรุงง่ายสองสุโปสะบำรุงง่ายคือบำรุงหรือพัฒนาให้เจริญทำความเจริญให้แก่ชีวิตของผู้ที่พัฒนาเนี่ยง่ายว่านอนสอนง่ายมิฉะนั้นเถิดพัฒนาไปสู่ธรรมะสัจธรรมได้ง่ายไม่ดื้อดึงดันน ะ, ะแม้จะฉลาดทางโลกหรือไม่ฉลาดทางโลกบางทีโอสอนเรียนรู้จบป .4 บางทีไม่ได้เรียนหนังสือมาเลย ก็บำรุงขึ้นให้พัฒนาทางความเป็นคนเจริญคนอาริยะได้ง่ายไม่ได้หมายความว่าจบทางปริญญาแบบโลกโลกเป็นปริญญาตรีโทเอกอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะเอาด้วยก็ได้แต่ว่าต้องมีตัวนี้เป็นตัวหลักต้องมีคุณธรรมยิ่งนนบำรุงให้เจริญง่ายอปิชฉะมักน้อยอัตมาแปลอีกคําว่ามักน้อยนี่คือกล้าจนเป็นคนกล้าจน คือไม่ต้องไปกล้ารวยหรอกใครมันก็กล้ารวยอะ่ะมันเก่าแล้วนิยายบทเก่านิยายน้ำเน่าไปแย่งกันรวยเน่ามากเลยพระพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้ที่เปิดฉากกันนี้ใหม่พาคนมาจ น, นมาลดละล้างกิเลสแล้วก็ไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปกอบโกยไม่ต้องไปเอาเปรียบเอารัดมีแต่เสียสละสร้างแล้วก็แจกจ่ายเชือ้อจานนี่คือคนเจริญนี่คือคนประเสริฐนะเพราะงั้นก็มาเป็นคนมักน้อยทํามากๆเอาไวน้น้อยๆ หรือทําไว้แล้วก็สละเข้าส่วนกลางแล้วก็แบ่งกินแบ่งใช้กับส่วนกลางเป็นสาธารณโภคีไปเลยอย่างนี้สุดยอด อ, อย่างสังคมของเราชาวโสกเนี่ยชุมชนแต่และชุมชนของเราสาธารณโภคีทั้งนั้นคือกินใช้ส่วนกลางเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนกลางไม่ต้องมีเงินทองของตนเองทําเท่าไหร่ก็เข้าส่วนกลางหมดสมรรถนาเราจะมีมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ สมมติว่าสมรรถนะของเราเนี่ยทำงานวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ค่าตัวเราประมาณวันหนึ่งพันึงสองพแม้เราจะกินวันละเฉลี่ยแล้วเราจะกินจะใช้วันหนึ่งประมาณ200ร้อยสมอเหลือนอกนั้นก็เข้ากองกลางหมดคือทําแล้วเข้ากองกลางหมดไม่ได้เอาไว้เลยเราก็กินอาศัยกินใช้ร่วมอยู่กับสนย์กลางเท่านั้นเองมีเป็นต้นนะสาธารณโภคีเพราะงั้นคนที่มักน้อยต้องมีจิตถึง จะมากน้อยถึงไม่ถึงขั้นนี้ก็ได้ก็ลดซะนะเราเองเราจะเอามากๆนี่ก็หัดลดหัดได้มามากๆเราก็เอาไปเผื่อแผ่แจกจ่ายเป็นทานเป็นบริจาคหรือเอาเป็นเอาไปร่วมกับส่วนที่ควรจะร่วมทําบุญทํากุศลหรือสร้างประโยชน์ในสาธารณกุศลในสิ่งที่จะมันพาเจริญเรียกว่านาบุญกลุ่มไหนเป็นนาบุญคนไหนเป็นคนที่เป็นนาบุญนาบุญหมายคําว่าเอาไปให้แล้วจะงอกต่อไม่ใช่ว่าเอาให้แล้วก็ ริบเป็นของตัวเองเอาไปกินไปใช้ส่วนตัวไม่ใช่ให้ไปแล้วถ้าเอ า, เอาไปสร้างประโยชน์งอกไปสู่ประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นมากขึ้นอย่างในดวงนาบุญนะเพราะงั้นถ้าพูดใดมากน้อยได้และสันโดษอาปิจฉะแล้วก็สันตุทีคือสันโดษสันโดษพูดคร่าวๆไปแล้วเมื่อกี้ว่าพอรู้จักพอคนรู้จักพอนะกินวันหนึ่งไม่มีมือ้อกินทุกอย่างที่ขวางหน้า ก, กินจุบกินจิบกินอะไรก็ไม่รู้เลี้ยงกันเล่นเอามากินเล่นกินหัวกินไม่มีวาระเวลาปากไม่มีวินยัยไม่มีวินัยเลยเพราะสร้างวินัยให้กกบปากมางเราจะกินแต่เฉพาะเท่านี้พระพเจ้าท่านตัดํำนวนในในคำสอนของทุกพระองค์นี่บอกว่าจงฉันแต่ในที่นั่งแห่งเดียวนี่เป็นคำจัดคำสอน ชั้นเนี่ยที่นั่งแห่งเดียวหมายความว่าเราจะทานอาหารก็ทานแต่ตรงนี้นั่งทานซะให้เสร็จเรียบร้อยลุกจากที่นั่งนี้ไปแล้วไม่ทานอะไรอีกไม่ทานเล่นทานหัวนอกจากน้ํำนอกจากสิ่งที่มันมันมันจำเป็นมันสําคัญที่มันจะใช้น้ําเปล่าอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปออกจากที่นี้แล้วไปกินน้ําปลาน้ำนุ่นน้ํานี่น้ําหวานน้าเปรี้ยวน้ํำอะไรก็ไม่รู้แหละน้ําเดี๋ยวนี้มันทํำขายกันแต่มานับมันไม่ถ้วนน้ำน่นน้ํานี่ หรือกินกบกแกบแกบเคี้ยวเล่นเคี้ยวหัวเคี้ยวเล่นอะไรตายไปสุขภาพร่างกายเสียหมดโดยเฉพาะจิตวิญญาณเสียจิตวิญญาณปากไม่มีวินยัยกินไม่รู้จักพอไม่รู้จักจุดไม่มีสันโดษเพราะงั้นเรามาตั้งตบบะให้แก่ตัวเองมาต่อไปนี้เราจะกินเอาเอาใหม่ๆเอาแรกๆก็ได้เราจะกินวันละสา ม, มื้อเท่านั้นตั้งตบบะ巴ให้ตัวเองสิ ไม่กินจุกกินจิบเห็นใครกินใครจะมายั่วมายวนใครจะเอามาหมอมเมาใครจะเอามาเลี้ยงไม่รับบอกว่าเราถือศีลกินวันละสา ม, มื้อเท่านั้นอ่มันก็อาจจะแปลกหน่อยเนาะกินวันละสามื้อเท่านั้นคือเช้ากลางวันเย็นมื้ออาหารเท่านั้นจะเอาอะไรที่กินก็กินตอนที่นั่งในที่นั่งในที่นั่งสามแห่งเหมื่อนันเถอะแต่พระเจ้าดอนสอนี่สอนใ้ต้องชันในที่นั่งแห่งเดียวในที่นั่งชันในที่นั่งสามแห่งฉันไม่เคยสอนหรอกนะสองแห่งก็ไม่เคยสอน แต่คนพระทุกวันนี้กินสองมือชั้นสมือมือเดียวท่านั่นาแหละท่านตรัส ด, ด้วยว่าอานิสงส์ในการทานมือเดียวนี่รับประทานอาหารมือเดียวนี่มีอานิสงส์งห้าประการเอาะอะตมาไม่ต่อ5ประการนั้นไม่ขยายความเนี่ยจะไม่มีเวลาเพราะนในอั น, นิมักน้อยหรือสันโดรเรายืดจักพอกินวันละสามื้อก็พอเธอเราหัดดูสิเราจะเห็นกิเลส ข, ของเราโอโ้โหมันดิน้น แม่มันเคยกินอะไรที่ทุกอย่างที่ขวางหน้าใครมายั่วมายวนเห็นรูปก็น่ากินได้กลินก็น่ากินแต่ยินเสียงเขากินก็ได้น่ากินเมนยั่วมันยวนอะไรต่างๆนาน า, นาสารพัดที่จะเป็นไปแล้วก็หัดศึกษ า, าหัดศึกษาโอ้โหตอนนี้แจกขออภัยขอแวะนิดหนึ่งนี่ผู้ที่นั่งชมตอนนี้กลางร่มกันเป็นแถวเลยเอาร่มมาแจกกันโอ้โหมีผู้บริจาคร่มมาและเร่มมาแจกกลางแดด นี่จะเรียกอะไรเรียกม็อบร่มเหรอ <laughs> เมื่อพฤษภาคมเขาเรียกม็อบมือถือคราวนี้เรียก ม, ม็อบร่มก็จะแล้วสมั้งเนี่ยนะม็อบร่มเออที่จริงม็อบมันเป็นคำเสียนะอาตมาก็เคยอธิบายไปแล้วมันน่าจะใช้คำว่า d เดโมแครตหรือว่าใช้ p r o ท e s t นะถ้า p r o ท e s t ก็คือโปรเตสเตอร์นี่พเราเป็นพวกไม่ใช่พวกม็อบ พวกโปรเทสเตอร์พวกที่เข้ามาหรือพวกดิมอนสเตรเตอร์เข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะประท้วงอะไรแต่ออไหนเนี่ยแต่เอาละอาตมาไม่ขยายความนะแะนิดหน่อยเพราะว่ามันมีมันมีอะไรละ่ะมันมีนะมีอะไรปร ะ, ประหลาดขึ้นมาดูสิสีสแดงสีเขียวสีลายสีน้ําเงินร่มนาน า, นาสีนะกลางกันโอ้โห หนึ่ผู้แจกก็แจกไปผู้รับก็รับกันไปกลางร่มกันอ้าวดีไม่เป็นไดนะเอามาต่อเดี๋ยวจะไม่จบนี่จะหมดเวลามักน้อยสันโดษรู้จักพอเช่นเราวันหนึ่งหรือว่าเราเดือนหนึ่งเราใช้เงินเดือนหนึ่งตั้งสามหมื่นนี่เป็นต้นโอ้โหมันมากไปละหัดตัวเองมั่งฝึกฝนตัวเองสิกําหนดใช้สองหมื่นให้พอลดลว่าหน่อยนี่เป็นลําดับ เนี่ยแตมาบอกวิธีประพฤติปฏิบัติอย่างหัวภาพทํามาตามลําดับแต่ถ้าทําได้ไวก็ดีแต่ทําได้ช้ามันก็ช้านะหัดดูซิใช้เดือนละสองหมื่นให้พอนี่เรียกว่าสันโดษมีขีดพอใจพอแล้วก็ล้างกิเลสตัวเองว่ามันทําไมมันไม่จัดสรรจัดการบริหารกับชีวิตที่จะใช้เงินเดือนหนึ่งสองหมื่นมันไม่พ อ, อยังไงลองดู ลดอันนั้นลถอันนี้ไอ้ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟยความไม่เข่าท่าอะไรก็ลดลงไปเอาแต่สิ่งที่จําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องอยู่ในชีวิตไม่ต้องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเพราะโลกนี่มันมอมเมากันให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอาตมาเคยแปลว่ากิเลสนี่คือสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นของชีวิตกิเลสเนี่ยคือสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นของชีวิตนั่นเรียกว่ากิเลสเหมือถ้าบอกว่าเราเองเราสามารถที่จะลดมาได้ เดือนหนึ่งสองหมืเออเก่งอ่าเราก็หัดจนกระทั่งสองหมืนมันก็ยังมากอยู่นะเดือนนึงหมืนหน่นนึงนะตั้งตะบะขึ้นใหม่ฝึกฝนดูสิให้ตัวเองรู้จักพอใช้หมืนหน่นนึงให้พอเดือนหนึ่งหมืนหน่นนึงก็ยังมากอยู่ที่จริงๆนะฝึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือห้าพัน อ่ะขออภัยลดลงไปได้จนกระทั่งใจสบายเดือนหนึ่งห้0 0ัก็พอยิ่งกว่านั้นฝึกลงไปอีกเดือนหนึ่งสองพันเดือนหนึ่งพเดียวไม่ต้องกําหนดเดือนหนึงใช้ไม่กี่พันไม่กี่ร้อยเลยเดือนหนึ่งกินอยู่ไม่กี่ร้อยเหมือนอย่างชาวโศกอย่างที่อาตมาบอกแล้วคนเคยมีไรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนหลายแสนหรือหลายหมื่นเดี๋ยวนี้มาอยู่กันกับชาวโศกกินใช้ส่วนรวมทํางานไม่เคยเป็นไรายได้ ทำเสร็จก็ได้ได้ก็เข้ากองกลางหมดเงินไม่ต้องผ่านมือเราเลยได้มาแล้วก็เข้ากองกลางแล้วก็กินใช้อยู่กับกองกลางจะกินจะใช้จะมีอุปโภคบริโภคจะเจ็บจะป่วยจะไปจะมาค่ารถค่าราค่าโน่นค่านี่ค่าอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้เงินกองกลางตามระเบียบนะเรามีระเบียบเรามีจารีตมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่เราจะใช้สอยในส่วนกลางนี้อย่างไร ก็ทำกันอย่างดีตกลงก็เป็นคนในระดับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกคนชนิดนี้ว่าคนมีศีลเกินสิบเรียกว่าอนาคาริกะชนอนาคาริกะชนแปลว่าคนไม่มีบ้านช่องเรือนชาญไม่มีทรัพย์สินคาดของตนเองแล้วไม่แล้วสบายๆไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชาญทรัพย์สินคาดเป็นของตนเองใช่ของส่วนกลางนี่คือ หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท้าทายพิสูจน์ทุกวันนี้อาจามาเอาธรรมมาของพระพุทธเจ้านี้มาให้พวกเราพิสูจน์ปฏิบัติได้เป็นคนรู้จักพอใจมันพอกินวันละอย่างเนี่ยกินวันละทุกวันนี้พวกเรากินวันละมือก็เยอะกินวันละสองมือก็มีวันละสามมือก็มีบางคนไม่กินจุบกินจิบกินเล่นแต่บางคนยังมีกินจุบกินจิบอยู่บ้างก็ต้องท่งวรตนเองลดตนเองจนกระทั่งคนมีวินัยเป็นคนมีวินัยในตัว กินก็มีวินัยอยู่ก็มีวินัยนั่งนอนใบเรามีวินัยแต่ไม่ได้ติดยึดเป็นคนเลี้ยงง่ายอะไรงี้เป็นต้นเพราะว่าผู้ใดสามารถปฏิบัติได้ถึงขั้นมีมักน้อยมีความมักน้อยจริงสร้างสรรค์มากๆเอาไว้ของตน น, น้อยๆหรือไม่เอาไว้เลยเอาเข้าส่วนกลางดังที่กล่าวแล้วแล้วก็เป็นคนพอใจพอดัองที่กล่าวแล้วนะเป็นคนสันโดดเป็นคนสันตุติมีใจพอแล้วก็พอไปในทางน้อยนะ จิตก็ปวิเวกะในคาถาวัตถุสิบก็มีอปิจจสันตุทิปวิเวกะอสังสักวิริยารัมภาอย่างนี้เป็นตน้นเนี่ยคาถาวัตถุห้าก็คือมักน้อยสันโดษวิเวสงบใจสงบใจสงบไม่ได้หมายความว่าใจอยู่เฉยเฉยใจนีจน่ไม่ใช่ใจไม่มีกิเลสเข้าไปกวนเรียกว่าใจสงบใจหมดกิเลสเรียกว่าจิตสงบ อยู่ท่ามกลางเหมือนที่ท่านพุทธทาสว่าเป็นก้อนน้ําแข็งกลางเตาหลอมเหล็กได้ใจเย็นสบายใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความไม่มีบวกไม่มีลบไม่ลําเอียงแต่รู้ไหมรู้สังคมรู้อะไรควรสร้างสรรค์อะไรควรไม่สร้างอะไรไม่ควรจะส่งเสริมอะไรควรส่งเสริมรู้มีปัญญารู้แล้วก็เป็นคนมีการงานมีสมรรถนะช่วยสังคมอยู่นี่คือคนประเสริฐคนที่มีคุณค่าในสังคมนะ เพราะเมื่อเป็นคนมากน้อยได้สันโดษได้เป็นคนขัดเกลาตนเองสันเลขาขัดเกลากายวาจากายกรรมวจีกรรมนกรรมขัดเกลาสิ่งที่มันไม่สมควรจะทํามีท่าทีลีลานัดจากคีตะวาทิตาปิาสุขทัศนาอะไรพวกนี้อะไรเป็นค่าสึกแก่กุศลก็หัดลดหัดละลงไปจนก ร, กระทั่งขัดเกลาที่ใจใจก็ลดก็ละอะไรจะไปได้นี่เป็นสันเลขาธรรม ธรรมะของผู้เจ้ามีสเลกธรรมมีการขัดเกลาจนขัดเกลว์กายวาจาเป็นกุศลหมดแล้วมโนนั้นสะอาดบริสุทธิ์หมดขัดเกลวจนมโนสะอาดจิตสะอาดนะต่อไปทูตักทูตักแล้วว่าศีลเคร่งศีลยากยากอย่ายงเป็นคนที่ไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองของตัวเองแล้วไม่สะสมแล้ว น, นนะี่เป็นศีลเคร่งนะศีลก็สิบของเนนนี่เป็นต้นนะที่ ชาตารูปรรารักษตปฏิคขนาเนี่ยไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองแล้วเป็นสีลเคร่งนะกินมื้อเดียวก็สีนเคร่งเป็นคนที่กินมือเดียวได้แล้วโดยสบายโดยไม่ลําบากไม่ทิ้วไม่โหยไม่ทรมานอะไรไม่มีอัตตะกิริมัทสสบายกินมื้อเดียวก็สบายไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองก็ชีวิตสบายพอดีเช่นเป็นต้นศีลเคร่งหรือจะไปปฏิบัติธรรมเหมือนกับทุดงทุดูตะหรือทูทุดงเนี่อันเดียวกัน นะองค์แห่งศีลเคร่งอย่างพระกสปะท่านเป็นพระป่าเพศป่ามาหลายปางหลายล้านไตายสิบแสนหลายแสนหลายต้านชาติติดเป็นวาสนาเพราะกระสปาเนี่เอาละอาตมาไม่มีเวลาขยายความในเรื่องอรจินไตพวกนี้มันซึ้งมันมนึกซึ้งนะเพราะนนั้พระกสปาก็เลยเป็นเขตเขตหนึ่งว่าถ้าจะเป็นคนมีทุดงแล้วก็อย่างขนาดของพระกสปะธุดงสิบสามข่องนี้เป็นคนที่สุดยอดแห่งทุดงแล้วถ้าใครมีความ เ, เกินพบกัดส ป, ป่าไปแล้วนั่นถือว่าตกขอบออกนอกาศาสนาพุทธไปเลยออกนอกาศาสนาพุทธไปเลยทําเกินาศาสนาพุทธแล้วเพมันเคร่งแค่อยู่อยู่ป่าชอบอยู่ป่าชอบอยู่โคนไม้ชอบบิณฑบาตเลี้ยงตน้นอะไรนี้เป็นตน้นชอบอะไรทั้งสิบสาข้อของท่านฉันมือเดียวอ ะ, อะไรพวกนี้ เพราะผู้ใดมีศีลเคร่งได้แต่เคร่งที่ว่าเนี่ยมันไม่เคร่งนะผู้ที่ปฏิบัติได้เป็นปกติแล้วศีลยากๆอย่างไม่มีเงินไม่มีทองเลยนี่สบายไม่สบายไม่ได้เคร่งอะไรเลยกินมื้อเดียวเป็นไงเคร่งไหมไม่เคร่งนะปฏิบัติได้แล้วมันรู้แล้วศีลันรู้เป็นปกติแล้วเป็นสามัญแล้วไม่เคร่งอะไรหรอกแต่คนอื่นเขาเห็นเคร่งมันมันเป็นศีลเคร่งเป็นศีลสูงๆจริงๆแต่ปฏิบัติได้แล้วมันสบายมันไม่เดือดร้อนอะไรนั่นเรียกว่าปกติ แปลว่าปกติคือไวยะอัน네นี้แต่คนไปแปลเลยผิดพลาดเยอะแปลว่าปกติคนมีปกติมีศีลอะไรเงี้ศีลอะไรอะไรแล้วไม่มีศีลหมายความว่าแปลว่าปกติไม่มีศีลเช่นกินเหล้าวันละสองขวดเป็นปกติอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะเป็นศีลอะไรเรานะเขากินเหล้าวันละสองขวดเป็นปกติอะไรเงี้อ่ะกินห้ามือเป็นปกติอะไรเงี้มันไม่ใช่ศีลอย่างนั้นนะ อาทีนี้จากทูตาไปกระปาสาธิกะปาษาธิกะแปลว่ามีอาการที่หน้าเลื่อมใสกายกรรมหน้าเลื่อมใสวัจจกรรมหน้าเลื่อมใสมโนกรรมหน้าเลื่อมใสเลื่อมใสเพราะอะไรเลื่อมใสเพราะเป็นคนที่นั่นแหละเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนสังวรระวังขัดเกลาตนเองให้ตนเองมีกายกรรมดีวจกกรรมดีมโนกรรมดีเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สวยงามสุภาพ ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเป็นคนมีศีลเคร่งได้เห็นแล้วหน้าสัตถาคนนี้มีศีลสังวรในศีลเป็นคนวิโรธนะเป็นคนไม่คลาดห่างจากธรรมเป็นคนไม่คลาดห่างจากธรรมเห็นเป็นคนแม่มีราศีแห่งธรรมอยู่ก็ตัวเลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสน่ายกย่องบูชาเป็นคนสงบเรียบร้อยเป็นคนสุขภาพเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเจือจาน เป็นคนอดทนสิ่งเหล่านี้เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสทั้งสิ้นเป็นกุศลทั้งนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นนอกจากปาษาธิกาแล้วก็อปจายะอออ่างปอปลาจ อ, จ, อจานยอยักษ์อันนี้เป็นตัวหนังสือไทยนะอปะจจยะถ้าเป็นมาลีก็ตัวตัวของมาลีเขาไปอ่านว่าอปจยอปจยะอปจจยะแปลว่าไม่สะสมไม่สะสม ไม่สะสมทั้งวัตถุไม่สะสมทั้งกองกิเลสไม่สะสมทั้งสองอย่างไม่สะสมวัตถุก็คือนั่นแหละที่อาตมาอธิบายไปแล้วเป็นอนาคาริกชนไม่สะสมไปสะสมบ้านช่องเรือนชาญที่ดงที่ดินเข้าของเงินทองทรัพย์สินคารไม่สะสมเป็นของตัวแล้วใช้จ่ายเหมือนของใช้สามัญที่ใช้กันไปแล้วก็เป็นคนมักน้อยสะดุดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่ไม่สะสมอะไรใช้เท่าที่มันมีมันพอเป็นไป ซึ่งมันมีระบบวิธีมีวิธีการดําเนินชีวิตของสังคมแล้วมันก็จะกระจายกันทั่วถึงเป็นเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงเศรษฐศาสตร์บุญนิยมหรือเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเป็นเศรษฐศาสตร์ที่จะมีหลักทำเอาไปจับแล้วสุดยอดมากน้อยสนทนี่แหละเอาหลักวันณะเก้าเนี่ไปจับก็ตรวจสอบแล้วก็จะสุดยอดนะเป็นคนมีเศษแค่เป็นคนไม่สะสมเวลนาการที่นา่าสนและไม่สะสม ไม่สะสมไมเห็นได้เลยว่าไม่สะสมจริงแต่มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีมีเครื่องไม้เครื่องมือใช้งานถ้าเผื่อว่ามีความจาเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องเทคโนโลยีที่ราคาพอสมควรหรือราคาพแพงก็ตามแต่ถ้ามันมีประสิทธิภาพที่จะใช้ได้ประโยชน์ก็สามารถมีใช้ไม่ต้องสะสมเงินก็มีใช้เพราะว่ามีเงินส่วนกลางมีผู้ที่มีเงินอยู่เขาเห็นว่าแม้คนคุณ น, นี้ทาประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนมาก โดยที่ไม่จช่ของตนไม่มีเงินซื้อสิ่งนี้ใช้อันนี้เป็นถ้าเผื่อว่าให้เครื่องมือนี้แล้วท่านเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเลยเขาจะซื้อให้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาไม่มีเงินสักบาทหรอกของตัวเองไม่มีเลยนะคอมพิวเตอร์อาตมาจะต้องใช้เขาเห็นว่าถ้าอาตมาใช้คอมพิวเตอร์แล้วนี่จะทุนแรงจะเป็นประโยชน์ทํางานได้มากเขาก็ซื้อมาให้ซื้ออย่างรุ่นดีๆแพงๆมาให้เลยเป็น เคือก็เป็นแสนแสนซื้อมาให้ใช้อย่างนี้เป็นต้นเขาอยากให้ทําเขาจะช่วยเราพิสูจน์ดูเถอะไม่จําเป็นจะต้องมีของตัวเองถ้าเรามีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมจะมีคนคอยอุดหนุนจุนเจอือและก็จะมีคนคอยช่วยเหลือให้เป็นไปได้นะสิ่งนี้เป็นสิ่งลึกซึ้งนะเป็นคนไม่สะสมสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นคนวิริยะรำพะยอดขยันจะเห็นได้ว่าโอเป็นคนขยันอยู่อย่างนั้นไม่รู้ ไม่ไม่เห็นเป็นคนขี้เกียจมันดูได้นะคนเราเนี่เห็นได้โอ้คนขยันกับคนขี้เกียจคนเลี้ยงนะคนหลบเลี้ยงอ่าคนอู้กินบอ่อเนี่สำนวนโบราณอู้กินบอ่อคนอู้อู้อย่างนี้ยอู้อย่างี้มันไม่เข้าท่าอะไรเี่ยแต่ถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติตนแล้วมันขยันก็ดูเหมือนเราไม่ได้ขยันอะไรมันมีวิรยิยวิริยาพละมันมีความเพียรนั่นเป็นพลัง เป็นพลังใ้ความขยนันมันขยันเองมันขยันในตัวเขามันเองนะมันขออภัยอาตมาว่าอาตมาอายุยังไม่มากนะแต่แน่นอนมันเสื่อมบ้างนะเพราะว่าอายุมันเลยเจ็สิบขึ้นไปตั้งหลายปีแล้วนี่มันก็ต้องแน่นอน มันต้องเสื่อมบ้างแต่อัตมาว่าอัตมายังไม่แก่เพราะอัตมาจะอยู่อายุร้อยกว่าให้ได้โอ้โหเสียงสาธุใหญ่เลยอัตมาพยายามจะใช้อิทธิบาทของพระพุทธเจ้ารองดูนะว่าจะอยู่อายุยืนยาวเพราะไม่ได้อยู่อะไรลองอยู่ทํางานเพราะอัตมาอยู่ก็ไม่ได้มีลาบยศสันเสริญอะไรมากมายหรอกนะไม่ได้มีนะไม่ได้มาสะสมลาบยศสันเสริญอะไรแล้วโลกีสุกอะไรอัตมาก็เข้าใจนะอ้าวต่อ อันสุดท้ายวิริยารัำพะเป็นคนยอดขยันหรือเป็นคนปลารบความเพียปรปลารบก็หมายความว่าเดินตนเองมีความสํานึกอยู่ตลอดหนึ่งเนืองปลารบปลารบตนปรารบตนก็หมายความว่าตนเองเนี่ยสำนึกอยู่หนึ่งเนืองโอ้เราต้องเพียรเราต้องเพียรหรือเราต้องขยันเพียรภาคเพียรอยู่คนภาคเพียรขยันสร้างสรรค์ถ้าอะไรมันพอสมควรจะพักเราก็พักอะไรมันควรเพียรก็เพียร พระพุทธท่านได้ตรัสอยู่อันหนึ่งท่านตรัสว่าคนที่ข้ามโอกฆ่าสงสารได้แล้วคือมีเทวดามาทูลถามพระพุทธเจ้าทูล ถ, ถามว่าไอ้คนที่ข้ามโอกฆ่าสงสารได้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงตอบหน่อยสิพระพุทธเจ้าท่านก็นดูแล้วว่าเออเทวดาระดับนี้ก็ต้องต อ, ตอบอย่างสำนวนสำนวนสูงๆหน่อยท่านก็นเลยตรัสว่าเราไม่พักเราไม่เพียร น, นี่แหละเราข้ามอกฆ่าสงสารได้แล้ว ้าบอกเขาสงสารได้แล้วก็คือหมายความว่าพูดถึงฝั่งพูดถึงนิพพานนั่นเองพูดได้นิพพานนั่นเองพูดถึงฝั่งอ๋อผู้ข้าบอกเขาสงสารเขาท่านได้ก็แค่นี้เหลอแค่นี้แหละเราไม่พักเราไม่เพียรทัดไทเป็นไทยว่างั้น <c oughs> หมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่พักก็คือเพียรเราเพียรเป็นคนมีความเพียรเราไม่พักเราไม่เพียรก็คือถึงเวลาควรพัก รู้จักพักเช่นถึงเวลาควรจะหลับนอนได้แล้วก็นอนถึงเวลาเราเจ็บป่วยควรจะต้องพักตัวรักษาตัวก็พักหรือทำงานวันเวลามันสมควรจะพักแล้วเนี่ยโอ้น่ะมันค่า ม, มันมืดแล้วมันถึงเวลาควรพักได้แล้วทำงานมาหนักแล้วนะเนี่ยนานแล้วควรจะพักผ่อนได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวสุขภาพจะเสียก็พักซะคือมีปัญญารู้นะ่ะไม่ได้พักเพราะอยาก พักเพราะหนีเลี่ยงเอาแต่พักไม่เอาเพียนไม่ใช่หรือเพียนจนไม่รู้จักพักก็ไม่ใช่เพียนจังเลยขยันมันเพียนเราไม่รู้จักพักจักพอนเลยก็ตายกันพอดีหรือเจ็บป่วยกันสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมกันพอดีไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นก็ทำงานอย่างรู้จริงๆเลยว่าไม่เห็นแก่อะไรต่อะไรกันมากเกินให้สมดุลรู้จักพักจักเพียนให้สมดุลอย่างดี ชีวิตก็เป็นสุขชีวิตก็แข็งแรงความหมายแค่เราไม่พักเราไม่เพียนีย่มันจะหมายถึงการฆ่าโบคขาสงสารอย่างไรถ้าไม่เจอกับตัวหรือว่าไม่ไมศึกษาอย่างสูงสูงก็จะตอบอยากมันหมายความว่าผู้ที่ได้ละกิเลสหมดตัวตนหมดอัตตาหมดความเป็นตัวตนแล้วผู้นั้นก็มีชีวิตอยู่เพื่อมีกรรม มีการงานจึงแสวงหาการงานเป็นเครื่องอาศัยเรียกว่าอาหาระปริเยติทุกมันเป็นทุกในตัวเขามันเองเท่านั้นคือมันลำบากมันเหนื่อยเหมือนกันมันทุกโดยสภาวะทุกโดยธรรมชาติก็เราทำงานมันก็ต้องเหนื่อยบ้างต่มันก็ทุกบ้างมันก็มีอุปสรรคบ้างมันก็มีความยากเย็นบ้างอะไรนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็พยายาม แสวงหาเครื่องอาศัยอาหารรัปริยเิทุกอาหารรับว่าเครื่องอาศัยหาเครื่องอาศัยในชีวิตแสวงหาอาหารมาเลี้ยงตนไปบินทบาทก็อาจจะลําบากหน่อยเดินบินทบาตร้อนแล้วก็หาอาหารมาเลี้ยงตนไม่เบียดเบียนคนอื่นอะไรนี้เป็นต้นหรือทํางานเพื่อที่จะเพื่ออาศัยอยู่อาศัยกินให้มันคุ้มอยู่คุ้มกินของตนตนก็ไม่ได้เป็นคนเบียดเบียนใคร อยู่ในโลกนี้เป็นคนที่พึ่งตนเองรอดมีเหลือสร้างสรรเเหลือเพราะฉะนั้นก็จะสร้างสรรมีเครื่องอาศัยในชีวิตเป็นงานการที่มีประโยชน์คุณค่าเป็นงานที่เป็นกุศลหรือเป็นงานที่เป็นบุญเป็นปุญญาพิสังขารเป็นสังขารที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอย่างเป็นบุญเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์โลกเราก็อาศัยกินอาศัยใช้ในสิ่งนั้นแต่เรากินน้อยใช้น้อยแล้ว ส่วนเหลือส่วนเกินจึงเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นบุญของเราเป็นคุณค่าของเราแม้ไม่เอาเป็นไม่ไม่ตีราคาเป็นมูลค่าเอามาให้แก่ตนมันก็คือทุนทางสังคมเพราะว่าเป็นคนที่สร้างอะไรตระไยแล้วก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ให้ไปเป็นประโยชน์แก่สังคมเรียกอันนี้ว่าทุนทางสังคมนี่คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้าพรงงานผู้ใดมีวันนะเก้าก็คือคนมีวันนะคนชั้นสูงเ e อะคล s สเซเป็นคนชั้นสูงทวนอีกนิดนึงก่อนจบเป็นคนมีการเลี้ยงง่ายมีการบำรุงง่ายามีความมักน้อยหรือกล้าจนเป็นคนสันโดษหรือเป็นคนมีใจพอ เป็นคนมีเครื่องขัดเกลาตนเองขัดเกลากิเลส ข, ขัดเกลากายวาจาใจเป็นคนมีศีลเคร่งดายสบายเป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมไม่สะสมทั้งสมบัติวัตถุไม่สะสมทั้งกองกิเลสเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวหมดอัตตาตัวตนไม่มีเราของเราไม่มีเราเป็นของเราไม่ยึดเป็นเดาเป็นของเราในสุดยอดแห่งธรรมะ ไม่ใช่ปากพูดไม่ใช่ตะ ก, กะถ้าปฏิบัติได้แล้วจะถึงความจริงเป็นคนยอดขยันนี่เป็นสุดท้าย น, านี่คือวันณะเก้าของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะแม้ทุกวันนี้เราก็ปฏิบัติกันมาพิสูจน์กันได้จนเกิดสังคมกลุ่มสังคมมู่ที่มีวัฒนธรรมวันณะเก้าอย่างที่กล่าวแล้วนี้มีถึงขั้นสาธารณโภคีเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง เป็นพระราดอระภาพนะซึ่งทุกคนมามาด้วยตัวเองอิสระเสรีภาพเลือกเอามีอิสระเสรีภาพมีพระราดอระภาพมีสันติภาพและมีสมัตภาพมีบูรณภาพอินท g r i t y สมบูรณ์เอาละอัตมาเทศมาถึง10โมงพอดีตามที่เขาให้เวลาไว้ก็ไว้พรุ่งนี้หรือเวลาอื่นที่จะมีโอกาสอีกก็ค่อยมาเทศสู่กันฟังอีก สบหรับบันนี้ก็ขอให้ทุกคนฟังธรรมแล้วเอาไปทำอย่าฟังธรรมแล้วเอาไปทิ้งขอให้เจริญเจริญด้วยธรรมะกันทั่วหน้าทุกคนเทิญ